คำสาปของยักษ um, ์การละครั้งหนึ่งนามมาแล้วมีหญิงสาวผู้ต่มต้อยคนหนึ่งนามว่าอิซาเบลเธอเป็นสาวเลี้ยงวัวอิซาเบลไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวเลยแต่เธอเชี่ยวชาญในงานของเธอและอยากรู้อยากเห็นให้สิ่งต่างๆทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงคนคร่าครวญเสียงอะไรนะ เธอเดินอย่างลังเลตามเสียงไปอย่างช้าๆโอ้คุณพระสิงโตนี่อิซาเบลเริ่มกลัวเพราะเธอไม่เคยเห็นสิงโตใกล้ขนาดนี้แต่เมื่อเธอเห็นว่าเท้าของเจ้าสิงโตติดอยู่กับรากไม้เธอรู้สึกสงสารเขามากและก้าวเข้าไปหาอย่างช้าๆด้วยความหวาดกลัวเธอเข้ามาใกล้กับเขา และค่อยๆขยับรากต้นไม้ออกช้าๆจนขาของสิงโตได้หลุดออกมาสิงโตได้คำรามอย่างเสียงดังอิซาเบลหวาดกลัในเสียงคำรามอย่างมากได้โปรด อ, อย่าทำอะไรข้าเลยเจ้าสิงโตดูที่อุ้งเท้าของเขาแล้วก็เดินตรงมาหาอิซาเบลและเลียมือของเธอด้วยลิ้นยาวสักๆของเขาอิซาเบลอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรวบรวมความกล้า แล้ววางมือบนหัวของมันรูปไหล่มันและเจ้าสิงโตก็ปล่อยให้เธอทำด้วยความสุขในทันทีเติมเต็ ม, ต ม, ตมหัวใจของเธอเธอยิ้มออกมาอย่างดีใจแต่ทันใดนั้นสิงโตหันกลับไปมองท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมันหันมามองอิซาเบลและหันหลังวิ่งห น, นีไปนี่รอเดี๋ยวสิเธอจะไปไหนอิซาเบลดีใจมากที่ได้พบเพื่อนใหม่ เธอจึงตัดสินใจวิ่งตามสิงโตไปเฮ้ย hey, กลับมานะขณะที่เธอวิ่งตามหลังเขาไปเธอได้เข้ามายังป่าและเจ้าสิงโตก็หายวับไปป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีใบสีเขียวขนาดใหญ่ <S <S เขาหายไปไหนนะเธอยังคงเดินและร้องเรียกสิงโตเพื่อนเพื่อนสิงโต เจ้าอยู่ไหนแต่ก็ไร้วี่แววของสิงโตท่านใดนั้นเธอพบกับชายหนุ่มรูปงามและเขาก็หายตัวไปด้านหลังก้อนหินกองใหญ่ใครกันนะอิซาเบลวิง่งและมองไปยังข้างหลังก้อนหินแต่ก็ไม่พบใครเป็นไปได้ยังไงถ้าเห็นเขาเต็มสองตานี่นะ่ะเธอคิด และตัดสินใจเคลื่อนย้ายหินแต่เขาจะเคลื่อนย้ายหินได้ยังไงกันนะในขณะที่เธอยือนคิดใกล้กลต้นไม้หน่าอัศจรรย์มากก้อนหินเคลื่อนย้ายเองเธอเห็นเมื่อมีทางเข้าไปในนั้นนี่มันยังกับสถานที่วิเศษไปเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงเข้าไปข้างใน และออกมาอีกฝั่งเธอเห็นบ้านที่สวยงามมากและทําให้เธอตกใจว้าวสวยงามอะไรเช่นนี้เป็นบ้านของใครกันนะเธอเข้าไปในบ้านด้านในของบ้านสวยงามกว่าข้างนอกเป็นอย่างมากผนังได้รับการตกแต่งอย่างดีผ้ า, านุ่มนวลของที่ห้อยสว่างสวัยงดงามเกินกว่าที่เธอเคยพบเห็น กับฝันไปเลยท่านใดนั้นมีบางคนเข้ามาด้านหลังวัดดีเธอหันหลังไปและประหลาดใจมากที่พบกับชายหนุ่มรูปงามคนเดียวกับที่เธอเห็นในป่าโอ๊ไงเออ ท, อท้ทีข้าแค่มาหาเพื่อนของข้าท่านช่วยข้าได้ไหมท่านเออข้าคือยูจีนและเจ้ารู้จักข้าเราเคยพบกันมาก่อน นะข้าคือสิงโตตัวเดียวกับที่เจ้าช่วยไว้เดียวอะไรนะเจ้าคือสิงโตอย่างนั้นเหรออืข้ารู้เจ้ากำลังคิดอะไรแต่ว่าเรื่องมันยาวครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรขนาดใหญ่และผู้คนต่างชื่นชอบข้า วันหนึ่งขณะที่ข้ากำลังท่องในป่าข้าพบกับยักษ์ตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่ม้าของข้าส่งเสียงรบ ก, กวนการหลับของยักษ์และเขาก็โกรธมากเจ้ากล้ารบกวนเวลานอนของข้าเหรอข้าจะกินม้าตัวนี้ซะถ้าอางนั้นเจ้าก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อน เจ้าคิดว่าเจ้าจะสู้ข้ดได้เหข้ารู้แต่ข้าไม่ใช่คนขี้คลาดข้าจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้สู้ถ้าเจ้าคิดจะทำร้ายม้าของข้าเจ้าต้องข้ามศพข้าไปก่อนโอ้เจ้ารู้ไหมข้ารับไม่เต็มอิ่มเลยข้ายากกลับไปนอนมากกว่าจะสู้กับเจ้าแต่เมื่อเจ้ากล้าลองดีกับข้างั้นข้าก็ จะสอนบทเรียนให้กับจอมเขาทําอะไรเหรอเขาได้คํำสาปใส่ข้าตั้งแต่ตอนนั้นข้าก็อยู่ในร่างของสิงโตจนกว่าพลาดที่จะตกดินข้าถึงจะกลับมาอยู่ในร่างคนข้าไม่ได้กลับไปบ้านเกิดข้าไม่ได้พบหน้าท่านพ่อท่านแม่นานแล้วเพราะกลัวพวกเขาจะเสียใจหากว่าเห็นข้าในสภาพนี้ข้าเสียใจด้วยนะยูจี มันไม่มีทางทำลายคำสาบได้เลยเหรอมีมีทางเดียวเท่านั้นต้องนำเส้นผมจากราชินีแล้วเอาปล่อยผมมาถักเป็นเสื้อคลุมแล้วนำไปมอบแด่เจ้ายักษ์นั่นงั้นข้าจะเข้าไปที่เมืองและหาทางเข้าพบราชาและราชินีเพื่อหาวิธีที่จะได้เส้นผมของราชินีมาให้ได้ทำไมเจ้าถึงช่วยข้าทุกอย่างเลยเพราะเจ้าคือเพื่อนคนเดียวที่ข้ามีในชีวิตของข้า และเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วขอบคุณนะเออค่าช่ว อ, อิซาเบลขอบคุณมากอิซาเบลยังไม่ต้องขอบคุณตอนนี้หรอกเมื่อพูดจบเธอก็ออกเดินทางไปยังในเมืองเธอยืนอยู่ที่ตลาดและตะโกนออกมาว่าหางานเป็นสาวใช้มีใครอยากจ้างสาวใช้บ้างเธอสวยกว่าจะเป็นสาวใช้นะ เธอดูสะอาดสะอ้าและเรียบร้อยมากเธอดูสะอาดสะอ้าและเรียบร้อยท่ามกลางฝูงชนธรรมดาสาวใช้ของราชาที่กำลังยืนอยู่ได้ยินเสียงอิซาเบลของเรา<อ>จะต้องการทำงานในวังของราชาไหมยังขาดคนล้างชามอยู่นะอิซาเบลคิดว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะได้ทำงานในวังและเธอก็ตอบลงทันทีได้ ข้าทํางานได้ทุกอย่างงั้นก็มากับข้าสิสาวใช้แต่งตัวและทําผมใหม่ให้อิซาเบลมันทําให้เธอดูอ่อนหวาและดูดีมากทุกคนต่างชื่นชมและยกย่องเธอนางมีผมที่สวยงามมากนางดูงดงามมากในที่สุดเรื่องก็ถึงหูของราชินีและเธอเรียกอิซาเบลเข้าพบฝ่าบาท ท่านเรียกข้ามาพบหรือเพคะราชินีสังเกตเห็นว่าวิธีแต่งผมของอิซาเบลนั้นสวยงามมากข้าชอบวิธีแต่งผมเรียบๆของเจ้านะตอนนี้เจ้าไม่ต้องทำงานในครัวอีกต่อไปแล้วเจ้าจะมาหวีผมและแต่งผมให้ข้าทุกวันแทนอิซาเบลไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนเธอพบโอกาสที่เธอกำลังมองหาตามประสงค์เพคะฝ่าบาท เส้นผมของราชินีหนาและยาวมากมันเปล่งประกายราวกับแสงอาทิตย์อิซาเบลหวีจนมันเงางามมากขึ้นกว่าเดิมวันแล้ววันเล่าและหลายสัปดาห์ผ่านไปอิซาเบลกลายเป็นที่โปรดปรานของราชินีวันหนึ่งอิซาเบลรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เธอมีและถามราชินีออกไปฝฟาบาทข้าขอความการุณาจากท่านได้ไหมเพคะได้สิเจ้ามีอะไรอิซาเบล พาอขอตัดเส้นผมที่หนาไปออกได้ไหม <_ c oughs> แค่นั่นเองเหรออิซาเบลเอาซี่ทำไมจะไม่ได้อิซาเบลใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อถักเสื้อคลุมจากปลอยผมของราชินีเมื่อเธอทำสำเร็จเธอจึงนำเสื้อคลุมมาให้ยูจีนมันพร้อมแล้วตอนนี้เราจะหาท่านยักษ์ได้ที่ไหน ข้าตื่นเต้นที่จะเห็นว่ายักษ์เป็นแบบไหนแล้วเจ้าช่างเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอิซาเบลแต่ระวังนะอยู่ให้ห่างเขาและร้องเรียกจากไกลๆไม่งั้นเขาอาจจะลุกขึ้นมาทําร้ายเจ้าก็ได้ไม่ต้องห่วงยูจีนเมื่อเธอมาถึงที่ลึกลับของยักษ์ในป่าอิซาเบลตะโกนเรียกยักษ์ท่านยักษ์สวัสดี ไรก่าย่างเข้ามาในที่พักของขา้าโอ้ราชาแห่งยักษ์ข้ามีของมามอบให้ท่านเสื้อคลุมที่ถักจากปอยผมของราชินีเจ้ายักษ์ออกมาจากถ้ำของเขาและสวมเสื้อคลุมของอิซาเบลโอ้ข้าเจอบมันมากขอบคุณนะขา้าเดาว่าเจ้าต้องการสิ่งตอบแทนใช่ไหมหล่ะใชะ่ใช่ใช่ค่ะท่านยักษ์ ได้โปรดทำลายคำสาที่ท่านได้สิง ย, ยูจีนด้วยเธอใครกันเหลื อ, อยูจีนสิงโตโดได้ออกมาจากหลังต้นไม้นั่นก็คือข้าเองโอ้คนที่ต้องการจะสู่กับข้านั่นเองโทษทีข้านอนไม่พอนะ่ไม่ได้อยากให้เจ้ากลายเป็นสิงโตหรอกนะจริงสิ เจ้าเปลี่ยนข้าเป็นสิงโตเพราะเจ้าไม่ได้อารมณ์ไม่ดีอย่างนั้นเหรอก็ประมาณนั้นล่ละนาทยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเอาเธออย่ายึตดติดกับอดีตกันเลยนะเออท่านยักท่านช่วยคลายคำสาปได้ไหมโอ้ได้ข้าทำได้ที่จริงเข้าเองก็ทำได้แค่พูดว่าข้าไม่อยากเป็นสิงโตอีกแล้วตลอดชีวิตนะ จริงเหรอเนี่ยข้าแค่ต้องทำแค่นี้เองเหรอก็อย่างที่ข้าพูดก็ข้าแค่อารมณ์ไม่ดีอยู่จีนพูดออกมาสิข้าไม่อยากเป็นสิงโตอีกแล้วตลอดชีวิตเลยเมื่อเขาพูดจบเขาก็กลายร่างกลับมาเป็นคนในทันทีน่นไง่ายง่ายง่ายใช่ง่า ย, ง, า ย, ง, ายง่ายเลยล่ะโอเค ข้ายาจะกลัาไปน้อแล้วล่ะบายบายนะบายท่านยักษ์หลังจากที่เจ้ายักษ์กลับเข้าไปในถ้ำอิซาเบลหันกลับมาและกอดยูจีอิซาเบลที่รักที่เจ้าทำเพื่อข้าข้ารู้สึกดีมากไม่มีใครยอมทำขนาดนี้เพื่อช่วยข้าจากคำสาปได้โปรดแต่งงานกับข้าเถอะนะออะแต่ยูจี ข้าเป็นแค่ชาวบ้านและเจ้าเป็นเจ้าชายมันไม่สําคัญหรอกข้ารักเจ้าให้ข้าพาเจ้ากลับบ้านไปพบแม่ของข้าเถอะยูจีนพาอิซาเบลไปที่วังแห่งเดียวกับวังของราชิ น, นีที่เธอนําเส้นผมมาเธอประหลาดใจมากและบอกเขาว่ามันเป็นวังเดียวกันกับที่เธอนําเส้นผมมานั่นเส้นผมจากแม่ข้าเหรอวิเศษไปเลยมาเถอะไปบอกพวกเขาบอกพวกเขาเดี๋ยวนี้ บอกทุกอย่างเลยราชาและราชินีดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นเจ้าชายลูกชายที่หายไปนานของพวกเขาเจ้าชายแนะนำอิซาเบลแก่พวกเขาและอธิบายทุกอย่างให้ฟังและยังแสดงความปรารถนาที่จะแต่งงานกับเธอด้วยโอ้ข้าดีใจมากที่จะได้นางเป็นลูกสะภ้ายนางเป็นเด็กสาวที่วิเศษมากๆเลยละ่ะราชินีกอดอิซาเบลและในไม่ช้างานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้น ยูจยีและอิซาเบลแต่งงานกันพวกเขามีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เธอคอยช่วยเหลือยูจีนปกครองอาณาจักรและเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นของเธอทำให้ได้พบกับปัญหาใหม่ในอาณาจักรและได้ช่วยเหลือผู้คนดังกับที่กล่าวกันว่าเพื่อนที่ช่วยเหลือในยามยากคือเพื่อนแท้